ข้อความในโกสัมพิยสูตรพระสูตรนี้เราคงขึ้นต้นอัตถกาฐาก่อนเน่นะเพื่อที่จะได้เข้าใจประวัติของวัดโคสิตารามด้วยข้อความในอัตถกาฐาปปันจัสูุทเนียนะมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตกล่าวถึงอดี ต, ตการเมื่อนานมาแล้วไม่ใช่สมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลอีกเนี่ยนะ มีแควนอยู่แควนหนึ่งชื่อว่าแควนอลิทะในแควนนั้นมีคนจนอยู่คนหนึ่งชื่อว่านายโกตูตฮาริกะ น, นายโกตูตฮาริกะเนี่ยก็มีบุตรแล้วก็มีภรรยาอณาบุตรก็ยังเป็นบุตรน้อยพอเดินได้คนเดียวทีนี้เขาก็อยู่ในแควนนี้ก็เกิดช้าตะกภาภัยก็แปลว่าฝนไม่ตกเนี่ยนะเมื่อฝนไม่ตกนานๆเข้าแผ่นดินมันก็แห้งแล้ง เมื่อแผ่นดินแห้งแล้งพราะปลูกก็ไม่ได้เมื่อพ่อปลูกไม่ได้ก็อดอยากหิวโหยคล้ายๆอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดฝนไม่ตกแค่อีกสักสองสเดือนข้างหน้าเนี่ยเดือดร้อนหมดเลยเนี่ยนะคงเสียหายประเมินตัวเลขยากเหมือนกันนะนะความเสียหายมากเขื่อนหลายๆแห่งมันแห้งขอดเนี่ยนะแผ่นดินนี่ก็เป็นรอยรา้า แ, แผ่นดินที่แห้งนะโครนแห้งมันก็จะเป็นรอยร้าวเป็นก้อนก้อนก้อนก้อนกอ น, กอนมันเมื่อแห้งมากๆเข้าแอ่ข้าว มเมล็ดข้าวทั้งหลายที่เอามาเป็นมเมล็ดพันธุ์ก็เพาะหวานลงไปแล้วเมื่อเพาะหวานไปแล้วน้ําก็ไม่สง่งเมื่อน้ําไม่สง่งเข้าข้าวเช้าตายไปหมดบางทีเนี่ยเช้าถึงขนาดว่าให้ควายมันยังไม่กินเลยอย่ง น, นั้นนลเพราะว่าปกติเนี่ยเขาเรกมันแห้งขนาดนั้นเมื่อปลายปลายปีปลายปลายปีที่ผ่านมาก็ไปแถวแถวสุรินทร์เนี่ยนะก็ร้ายแห่งเป็นอย่างนั้นมันแห้งกลงังนะบางทีเนี่ยเคยได้ข้าวเป็น เป็นร้อยเกวีนีม่นมันเหลือไม่กี่ถังละนะ่นแะปีงก็เหลือไม่กี่ถังเลยก็เรียกว่าแทบไม่ได้มเมล็ดพันธุ์คืนนั่นกันเนอะมันก็นพื้นที่ที่เพาะปลูกมันก็หายากเมื่อพื้นที่เพาะปลูกหายากมันไม่มีน้ําเนี่ยนะทีนี้ไอ้เมื่ออดอยากหิวโหยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ไม่บริบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบีย น, ยนก็เกิดโรคติดต่อขึ้น ก็เกิดโรคติดต่อพราะหมู่แมลงวันเนี่ยมันเยอะขึ้นนะอดอยากไม่ใช่มแมลงวันลดนะมแมลงวันนี่กลับเพิ่มกลุ่มโรคติดต่อทั้งหลายก็ตามมาเมื่อมีโรคติดต่อกันตามมานี่ก็สองสา ม, มีภรรยาก็แอบหนีกันไปตอนกลางคืนเพราะว่าเขาถือว่าสมัยก่อนนี่ถ้าแอบหนีไปแล้วเนี่ยมันโรคมันตามไม่ทันเหมือนกันบางทีเขาก็เชื่อว่าผีหาสาตานนี่แหละมาฆ่าเพราะฉะนั้นต้องแอบหนีผีไปเนี่ยนะ ก็ไปก็พาลูกไปด้วยทีนี้พาไปก็ระหว่างทางอุ้มลูกไปเนี่ยนะะอาหารก็พอแต่เรียกว่าพอกันตายอะ่ะแต่ว่าไม่พอที่จะอิ่มเมื่อระหว่างพาไปเนี่ยนะเดินไปก็อาหารมันก็หมดเมื่ออาหารหมดอดอยากขึ้นก็ทําไงดีก็มีลูกคนหนึ่งสามีก็อ้อนวอนภรรยาตลอดว่านี่เธอทิ้งลูกคือนะนะถ้าเรายังอยู่เราก็คงมีลูกกันมั้ง ภรรยาก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกเนี่ยนะก็จะได้ลูกคนนี้มาก็ไม่สามารถจะตัดใจทิ้งลูกได้นี่ตอนหนึ่งอะนะก็บอกว่าเออเธอไปก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวฉันจะค่อยๆตามไปก็ให้ภรรยาเนี่ยไม่ใชาเรื่ออะไรนะแบกของอะนะแบกของไปตัวเองก็อุ้มลูกลูกชายเนี่ยตามไปด้วยพอเดินเดินไปพอภรรยาไปไกลหน่อยก็เอาลูกไปซุกไว้ใต้ต้นไม้อะลูกไปซ่อนไว้ใต้ต้นไม้ ระหว่างที่เอาลูกไปซ่อนไว้ใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยนะก็ทําเป็นเดินอ้อยอิงอ้อยอิงภรรยาก็ไปไกลก็ตามไปนู่น ไ, ไปทันกันไกลเป็นกิโลกิโลก็เลยอ้าวภริยาก็เห็นเอาลูกไปไหนล่ะบอกฉันทิ้งไปแล้วชวนให้เธอทิ้งเธอก็ไม่ทิ้งฉังก็เลยทิ้งเลยก็ร้องให้นอนกลิ้งอยู่ตรงนั้ น, นบอกถ้าฉันไม่มีลูกฉันก็คงไม่มีชีวิตจะอยู่ต่อไปโคสกะเศรษฐีก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยนะไนะ อ, อ้นายโกตุฮาริกะเนี่ยนะ เมียร้องให้ขนาดนั้นก็ทำนี้ก็นก็เลยกลับไปเอาลูกไปถึงก็ลูกตายแล้วก็ได้มันก็มันคนอดอยากกันนะอดอยากเด็กมันก็พร้อมกระรองอยู่แล้วก็ลูกก็ตายตรงนั้นก็กลับมาบอกเมียว่าลูกตายแล้วเมีก็เสียใจมากแล้วก็ยังเดินทางกันต่อไปไปจนถึงณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มโคเนี่ยนะเาเรียกว่านายโคบานคนเลี้ยงโค มีโคลอยู่ในครอบครองเยอะมากเพราะว่าเข้ามาในถิ่นที่อุดมสมบูรณ์แล้วทั้งสองคนนี้ก็ขอเข้าไปพึ่องอาศัยขอเข้าไปพึ่องอาศัยเศรษฐีนะนายโคบานสองก็รับอ น, นะเห็นพร้อมโซมาก็คงเลี้ยงอาหารให้พอมีแรงก็อาจจะไปหาหาหาการหางานทําหรือไม่ก็จ้างไว้เป็นคนงานที่บ้านนี่แหละก็เลยให้ทั้งสองคนเนี่ยทานอาหารนะก็จัดอาหารให้ ว่าจัดตามอัตรภาพเนี่ยนะทีนี้พอดีตกช่วงนั้นก็ถึงเวลาบริโภคอาหารของนายโคบานเศรษฐีนี่คนดีพอดีเจ้าของฟาร์มโคคนนี้เนี่ยก็เขาก็ได้ข้าวอย่างดีข้าวเขาก็ใช้นมสดนี่หงุงปกติเราใช้น้ําหงไงตอนะ น, นี้เขาเป็นเจ้าของโคบานนายเจ้าของฟาร์มโคเขาก็ใช้นมสดเนี่ยมาหุงข้าว น, นะเขาเรียกว่าเป็นข้าวปลาญ้าใส่น้ําตาลกรวดใส่น้ํำผึ้งใส่เขาเรียกว่าใส่ครบเครื่องของเขาอ่ะนะ ตามหลักของเรียกว่าข้าวมาทุปายาก็กินข้าวไปเนี่ยนะก็นั่งกินข้าวแล้วก็แล้วก็เขาก็มีสุนัขโปรดปราณอยู่ตัวหนึ่งเป็นสุนัขตัวเมียเนี่ยนะก็กินไปก็แบ่งอาหารให้เมียให้หมาไปกินไปก็กินไปก็แบ่งอาหารให้ไปไอชายสองคนสองคนสา ม, มีภรรยาเนี่ยก็ไปมองเห็นเออหมานี่มันดีหมมันมันมันมันดีกว่าเราอ่ะนะคล้ายๆก็แข่งกันระหว่างควายกับหมาไหนดีกักนคล้ายเนี่ยนะ บอกว่าเออนี่็เขาคิดบอกว่าโอ้ยนี่เราเนี่ยสู้สู้หมาไม่ได้เลยดูหมาตัวนี้สิมันก็กินอิ่มมันก็นอนหลับมันก็ไม่ได้อดอยากมันก็ไม่ได้แร้นแค้นอะไรเลยเนี่ยนะก็เลยบอกเออหมานี่มันดีใจนึกว่าดูชอบไอนางหมาตัวนั้นหมายความว่าชอบชอบไม่ได้ชอบแบบนี้นะชอบแบบมันดีกว่าเราเหลือเกินเลยนะอาจจะเข้ามาในบ้านนี้ก็เหมือนกันไปเห็นหมาอ้วนๆหน่อยก็เลยเออหมานี่มันดีมันยังกินอิ่มนอนหลับเป็นต้นเลยนะลำบาก เขาก็มีมีโยมคนหนึ่งเขาก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าเขาจะขอเกิดเป็นหมาเขามาขอขอเกิดเกิดเป็นหมาบ้านผู้พันนี่แหละเขามีบ้านเะในทหารเก่าคนหนึ่งบอกถ้าจะเขาเกิดเป็นหมานะเขาจะมาขอเกิดเป็นหมาบ้านผู้พันนี่แหละบอกทําไมก็ดูสิผู้พันพูดกับหมายัางครับผมเลยเหมือนกันอยาจะเกิดเป็นหมาบ้านผู้พันเน่ยนะบางคนก็บอกโอ้ยหมา ก, กินดีเนี่ยกินไก่ ย, ย่างกินไก่ปิ้งโอ้ยกินอิ่มนอนหลับสบายอ้วนท้วนสมบูรณ์เนี่ยนะ นั้นดีเหลือเกินนั้นดีกว่าเราเราทำมาหาเลี้ยงชีพอยาติเหงื่อแรงกายแทบไม่พอกินเลยไม่พร้อมกระรองทุกยากลําบากเหลือเกินนี่ไอ้วันนั้นเนี่ยสองสามีภรรยาเขาก็แบ่งข้าวปลายาดให้ก็แบ่งข้าวปลายาดให้เรียกว่าสองคนอิ่มะนะทีนี้ไอ้ภรรยาเนี่ยความที่รักสามีก็เลยรับแค่ครึ่งเดียวสามีก็จะได้ส่วนหนึ่งครึ่งว่างั้นเถอะ ปกตินี่ถ้ากินทั้งสองคนเนี่ยถ้าถ้ากินเท่าๆกันเนี่ยอาจะสุขภาพพอเป็นไปได้แต่นี้ไ่ภรรยาก็ขอกินแค่หน่อยเดียวเนี่ยนะฮะความที่สงสารสามีเห็นว่าสามีเนี่ยอดอยากมานานอยากให้กินให้อิ่มไม่เต็มที่เลยสามีก็แหมอดอยากมานานเนี่ยนะก็เลยกินเต็มที่เลยเนี่ยนะข้ามาัธุปายาติกินส่วนตัวเองอิ่มแล้วก็เอาส่วนของภรรยามอีกครึ่งหนึ่งก็อิ่มอืดเต็มที่เลย ทีนี้พออืดมันก็ง่วงเนี่ยนะอาหารก็ไม่ย่อยอืดอัดอืดอัดทีนี้พออืดอัดปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดถึงท้องตัวเองเท่าไรมันคิดถึงหมาโอ้หมาเนี่ยมันดีไว้ใช้ชีวิตมันยังมีอยู่มีกินหมามันกินอิ่มแบบนี้ทุกวันเลยเรานี่อดอยากมาตลอดเลยมันหากินยากแท้เนี่ยนะก็เลยใจก็ผูกพันอยู่กับหมาอาหารก็ไม่ย่อยตกคืนนั้นก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดในครันลูกสุนัขนั้นพอดีเออไปเกิดเป็นเป็น ลูกสุนัขในในหมาตัวเมียผูนั้นผู้ดีเลยจะไปไหนใช่ไหมใจพวพันธุ์ถึงอะไรก็อันนั้นแหละพันไครแต่บางคนคนที่เขารักสุนัขเขาก็รักจริงๆอ่ะ น, นะรักโอ้ยรักมากรักยิงกว่ลูกอีกนอนด้วยอะไรด้วยเรียกว่าอยู่บ้านเดียวกันใช้ชีวิตเหมือนกันก็รักทุกอย่างเลยนั่นเองบางคนก็รักมากเขบอกว่ายังไงยังไงก็คิดถึงอย่างอื่นเนอเวลาก่อนจะตายว่างั้นนะถ้าคิดถึงสุนัข ก, ก็ ระวังกันนะอาจจะเป็นสุนัขตัวที่คุยรู้เรื่องที่สุดเลยเนี่ยนะก็สุดความที่คนเนี่ยไปผูกพันกับสุนัขบางทีก็ทําให้ไปเกิดเป็นสุนัขใช่ไหมกลายเป็นสุนัขที่คุยรู้เรื่องที่สุดก็เลยชมว่าหม า, มานี่มันเก่งแท้หมาตัวนี้มันเก่งมันที่ไหนนะอดีตชาติมันก็เหมือนพวกเราเนี่แหละมันพึ่งไปเองอะนะเพราะฉะนั้น no, มันก็เลยคุยภาษามนุษย์รู้เรื่องกับเพื่อนเนี่ยนะที่ก็บางทีก็เพึ่งมันมาจากความเป็นมนุษย์มันถ้าสังเกตนิสัยสุนัขบางทีมันก็จะคล้ายๆมนุษย์นันะ จะคล้ายๆมนุษย์เพราะไอ้ลูกสุนัขไอ้ความที่มันเป็นลูกที่น่ารักนะมันก็ค่อนข้างรู้ภาษาคนเยอะแหละมันก็เลยเป็นที่โปรดปรานของผู้เลี้ยงเห็นไหมก็เป็นที่โปรดปรานเจ้าของรักมันมากทีนี้ในบ้านนายโคบานคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นตระกูลที่มีศรัทธาเนี่ยนะเขาก็นิมนต์พระประเจกกับพระพุทธเจ้ามาถวายอาหารเป็นประจำคือนิมนต์พระประเจกกับพพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านทุกวนันทุกวนัน ทีนี้เมื่อฉันเสร็จเนี่ยพระปเจกพรบพุทธเจ้าก็จะเหลือก้อนข้าวไว้ก้อนหนึ่งเลี้ยงลูกหมานะครก็แบ่งอาหารเหลือเหลืออาหารไว้ก้อนหนึ่งนะเพืแบ่งปันให้ลูกหมาตลอดให้ลูกหมาเนี่ยความที่มันกินข้าวของพระปเจกบ่อยๆเข้ามันก็เลยรักพระนะนะก็เลยรักพระปเจกกับพุทธเจ้าเกิดความรักขึ้นในพระปเจกกับพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะให้อาหารมันอย่างว่านะโดยปกติเนี่ยใครที่มีอุปการะคุณกับกับตนนะนะ ตนก็ย่อมที่จะรักที่จะชอบใจบุคคลนั้นอยู่แล้วทีนี้พระประเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สร้างบรณารณาลาเนี่ยนะสร้างกุฏิถวะเออไม่ใช่นายโคบาลเนี่ยสร้างกุฏิไว้ถวายพระประเจกมันเวลาเออก็ก็อยู่ในป่านะก็จะนิมนต์พระมาฉันที่บ้านทุกวนันทุกวันก็ก็จะไปนิมนต์ไปอะไรเรียกว่าไปรับบาต ท, ทีนี้วันไหนถ้าตัวเองไม่ว่างก็จะส่งลูกหมาเนี่ยไปจะส่งหมาตัวเนี้ยไปนิมนต์พระนะ หมามก็รู้เรื่องอ่ะนะมันก็ไปไปก็ไปนิมนต์พระปเจกไปถึงก็ไปเห่าอ่ะนะเห่าตามระเบียบอะไรเขาว่าไปพระปเจกก็รู้อยู่แล้วก็เดินตามมาด้วยนะทีนี้บางวันเนี่ยพระท่านก็แกล้งะดูที่หมามจะรู้จริงหรือเปล่าท่านก็แกล้งเดินออกนอกทางหมามก็สกัดไปเห่าขวางเลยนะพระก็ไม่สนใจก็เดินไปทีนี้ลูกหมาแบบเออพระไม่กลับแน่นอนก็เลยไปคาบจีวรดึงอ่ะนะพระก็ยังไงก็ต้อง ก็เลยต้องไปตามหมาเมือนกันนะเดี๋ยวผ้าหลุดแต่ว่าลําบากไปตามหมามะก็นิมนต์ผ้าไปฉันที่บ้านจนตลอดพรรษาเพราะะฉนั้นตลอดพรรษานี่ก็ให้กินข้าวทุวันทุวันเนี่ยนะพันก็หมาก็รับพระปัะเจกกับพรุทธเจ้าเนี่ยมากทีนี้พอออกพรรษานายโคบานก็เตรียมเข้าวของเครื่องใช้ถวายถวายผ้าไตรชีวอนแด่พระประเจกกับพรุทธเจ้าพระประเจกกับพระพุทธเจ้าบอกว่าอาตมาจะไปทําชีวอนนะจะลาไป ทำที่นี่ไม่ได้หรอเบอกว่าที่โน่นอ่ะที่เขาคันธมาศยังมีเพื่อนพระช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมที่นี่ไม่มีปรงมาณก็เลยบอกอย่าไปเลยถ้ายังไงถ้าไปแล้วก็นิมนต์กลับมาอีกนะก็นิมนต์กันไปพระประเจกก็ไปทีนี้ระหว่างไปเนี่ยนะก็ได้เวลาบอกเวลาลาขณะที่พระประเจกับพุทธเจ้ากําลังเดินไปเนี่ยนะหมามันก็วิ่งตามเนี่ยนะก็วิ่งตามพระประเจกก็ในที่สุดท่านก็เหาะไปทีนี้หมาก็ดูพระประเจกก็ตรอมใจตายเนี่ยนะ มาตัวนั้นคิดถึงพระนะตรอมใจตายเขาบอกว่าด้วยจิตที่อ่อนโยนด้วยความรักที่มีต่อพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันก็ไปกลายเป็นศรัทธาไปแตนะ่ตอนแรกมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันก็มีความรักนะก็มีศรัทธากับพระประเจกกัะพุทธเจ้าเรียกว่ามีมีใจอ่อนโยนแล้วก็มีเมตตาจิตมีความหวังดีเนี่ยนะเรจิตอ่อนโยนต่อผู้มีศีลก็ไปเกิดใน เทวโลกมันใครรักหมาเนี่ยนะอยากจะให้แบบหมาไปสวรรค์ตามไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรก็ทําไงดีรักษาศีลให้ดีๆเนี่ยนะเมื่อหมาอ่อนโยนแล้วจะได้ไปดีมั่งองนั้นพอจะโปรดกันได้มั่งก็ตรงนั้นนะะจะไปให้บอกหมาเอ้ยให้ทานเถอ่อนนะคุณจะคุยกันยังไงใช่รักษาศีล น, นะสมทานกรรมบทบอกมันยากนะก็ได้อยู่ใกล้กับผู้มีศีลมีธรรมเป็นต้นถ้ามันมีจิตอ่อนโยนกับผู้มีศีล ตายไปมีผู้มีศีลเป็นอารมณ์ก็พอจะไปดีได้บ้างทีนี้เมื่อเทพบุตรนั้นเนี่ยนะเทปมาตัวนี้ก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพบุตรมีเสียงกล้องเพราะอะไรเพราะเคยเห่าด้วยจิตที่อ่อนโยนในพระประเ จ, จกระพุทธเจ้ากลายเป็นโคศกไปเลยก็พูดเสียงดังแกพูดเบาๆเนี่ยนะวู้ดังสนัน่นบอกว่าถ้าแกเกิดสมมติถ้าเกิดวันไหนครับเปล่งเสียงสุดแรงเนี่ยนะดังกลบเทวโลกหมด เสียงดังมากพูดปกติเนี่ยคือบางคนเนี่ยพูดแบบเงียบๆงุ้มๆนิ่มๆลับๆล่อๆไปเลยนะเสียงมันจะดังตลอดเลยเนี่ยนะบางคนก็ประเภทเนี่ยแต่เนี่ยพระปเจ้าเทพพระบทคือโคสกะเทพพรบทเนี่ยความที่เคยเห่าพระเห่าด้วยจิตเรื่อมสายนะไม่ใช่เห่าหาเรื่องมันก็มีเห่าหลายประเภทเห่าแบบเห่าเพรอเจอเห่าเพรอเจอสังเกตไหมหมาเห่าเพรอเจอเห่าไปเรื่อยหมาใบตองแห้งอะไรมันเห่าไปเรื่อย ถ้ามันหาวแบบพยาบาทนะหาวแบบโทสะนะแบบพุทธสวัจาล่ะมันหาวเอาเรื่องเมันหาวแบบจะฆ่าคนนั้นให้ได้เลยนะนก็มีหาวหลายประเภทแต่หาวมูสาคงไม่มีมั้งเนาะมันก็มีเพอเจอร์กับเนี่ยเพอเจอร์กับสัมภัปลาปะ น, นี่ก็มีอยู่สองเอ้ยไม่ใช่เพอเจอร์กับพุทสวัจจาะนะที่นี้เทพประบุคนนี้เนี่ยนะไอความที่พื้นฐานอุปนิสัยตัวเองเนี่ยนะอดอยากในชาติที่เป็นนายโกตุฮลิกาก็อดอยาก ชาที่เป็นสุนัขนี่ก็แหมมั น, ม, นมันก็ทําอะไรไม่ค่อยเป็นอิสระเท่าไหร่ก็เป็นสุนัขเพราะมาเป็นเท พ, พบุตรเข้ามัวเมามากเลยเพลิดเพลินในกามกคุณบริโภคกามกคุณเที่ยวกินดื่มมีความสุขมากจนลืมกินเหมือนกันเถอะเที่ยวจนลืมกินอ่ะนะเทวดาเนี่ยไม่เหมือนกับมนุษย์เทวดาถ้าลืมเลยเวลาอาหารไปมื้อหนึ่งตายมนุษย์เนี่ยเลยไปต้องเจ็ดวันไม่ตายแต่เทวดาเลยไปมื้อเดียวก็ตายแล้ว เพราะฉะนั้นใครเป็นเทวดาก็คิดให้มันดีๆนะอย่าลืมอาหารนะเขียนใบกำกับอาหารไว้ด้วยว่าเอออาหารเนี่ยถ้าลืมมือเดียวก็เดือดร้อนนะ่เขาบอกว่าทาไมอะ่ะถ้าลืมมือเดียวมันไม่น่าตายแบบเททธาดไฟของเทวดานี่มันแรงมากทีนี้ก็เหมือนกับบอกว่าถ้าเอาเราเด็ดดอกบัวนเนี่ยนะเอาไปตากแดดสักวันหนึ่งแล้วตอนเย็นก็มารดน้ําให้มันชุ่มเย็นเลยทําได้ไหมบอกไม่ได้เทวดาทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันก็เฉาตายเลยก็ตาย พอตายก็มาเกิดเป็นเป็นลูกของอนางหญิงโสเพนีเนี่ยนะวันนั้นก็ไปเกิดเป็นลูกหญิงโสเพนีในในหมู่บ้านในในในเมืองเมืองหนึ่งก็ในเมืองโกสัมพีนี่แหละ